บัตรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนยะแห่งวอ ม, มิกสูตรคือพระสูตรที่ทรงอุปมาร่างกายเหมือนกับจอมปลุกซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นในข้อต่อไปเมื่อลูกศิษย์ได้คนขุดลึกลงไป ก็ได้พบหม้อกรองน้ำด่างอาจารย์ก็บอกให้ยกหม้อกรองน้กรองน้ำด่างขึ้นมาก้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวิสัชนาว่านิวรณ์ทั้งห้าประการคือการมาฉันความพอใจรักใคร่ในอารมณ์ต่งตางๆพยาบาทคือการที่ใจเดี่ยวนึกถึงอารมณ์ ที่ผ่านมาแล้วด้วยความอาฆาตพยายามต้องการที่จะแก้แค้นโต้ตอบตําลายล้างทีนมิทะคืออาการของจิตที่ง่วงเหาหานอนเสื่องซึมอ้อยเหงาเหนื่อยหน่ายคร้านกายคลานใจหรือหดทุในด้านจิตใจอุตจักกุกุจักคือความฟุ้งซ่านจนถึงรําคาญที่ปรากฏขึ้นภายในจิต และวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยว่ามีลักษณะเหมือนกับหม้อ ก, กรองด่างข้อนี้ท่านเล่าว่าเวลาช่างยอมจะกรองน้ำด่างซึ่งใช้สำหรับยอมนั้นเวลาเทน้ำยอมลงไปในเครื่องกรองเครื่องกรองนั้นน้ำนั้นก็จะไม่ติดอยู่ในเครื่องกรองแม้แต่หยดเดียวเช่นใด ลักษณะของจิตใจแห่งบุคคลทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉันนั้นยามใดที่นิวรธรรมทั้งห้าประการมีการมาฉันเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วเกิดขึ้นครอบงำจิตใจอยู่ในขณะนั้นแม้จะมีการศึกษาการสดับสับฟังธรรมะที่เป็นสุภาษิตที่เป็นกุศลธรรมต่างๆ แต่ธรรมะเหล่านั้นก็จะไม่ติดอยู่ภายในจิตเช่นเดียวกับน้ำไม่ติดอยู่ในเครื่องกรองน้ำแต่การกั้นจิตของนิวรนั้ น, น, นแท้ที่จริงแล้วกั้นทั้งสองด้านคือด้านที่จะให้ความดีเข้าสู่จิตใจและการแสดงความดีออกมาซึ่งหมายความว่าเป็นการกั้นทั้งขาเข้าและขาออก ในด้านนํำความดีเข้าไปยามใดที่มีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งปรากฏอยู่จิตก็จะถูกรุ่มรุมด้วยนิวรณ์เหล่านั้นความดีก็ไม่อาจที่จะเข้าไปสู่จิตได้เพราะตามปกติแล้วสภาพของจิตนั้นจะรับอารมณ์อย่างเดียวได้ในขณะเดียวเท่านั้นเมื่อจิตไปอยู่กับนิวรณ์คือถูกรุ่มรุมด้วยอํานาจนิวรณ์ ธรรมะคือกุศลธรรมก็เข้าไปสู่จิตไม่ได้ในการที่จะนำความดีออกมาคือหมายถึงการแสดงความรู้ความสามารถเหตุผลสติปัญญาของตนเพื่อจะชี้แจงให้บุคคลอื่นเข้าใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันตหาจามนั้นขณะนั้นบุคคลมีจิตที่กอบด้วยนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ลักษณะของความคิดจิตใจ ก็จะมีความสับสนว่าวุ่นไปตามอานาจของนิพนธ์เ่านันซึ่งข้อนี้ได้ทรงแสดงเปรียบเทียบในรูปที่ให้บุคคลสังเกตเห็นได้ว่าจิตที่ประกอบด้วยกวามฉันนั้นก็เป็นเหมือนคนที่ตกเป็นหนี้คนอื่นซึ่งจะต้องชดใช้กันอยู่ด้วยไปหาความสงบใจไม่ได้จิตที่ประกอบด้วยความพยาบาท เปรียบเหมือนโรคที่เกิดขึ้นในกายจิต ท, ที่ประกอบด้วยทีนมิทะเปรียบเหมือนการตกเป็นทาสของบุคคลอื่นจิต ท, ที่ประกอบด้วยความพุ่งสรรั้นความรำคาญสะสายไปก็เปรียบเหมือนการจิตคุกจิต ท, ที่ประกอบด้วยวิจิกิจฉาก็เปรียบเหมือนทางไกลกันด่านหรือทางที่ธุระกันด่านซึ่งแต่ละอย่างนั้น หาความสุขหาความสงบไม่ได้เลยดังนั้นจึงทรงอุปมาณิวรทั้งห้าประการไว้ว่าเหมือนหม้อกรองน้ำดังซึ่งจะทำให้ความดีที่แสดงออกหรือนำเข้ามาไม่ขังไม่เก็บไว้ภายในจิตใจนิวรจึงเป็นประหาตประธรรมคือธรรมะที่บุคคลจะพึงละโดยส่วนเดียว นันั้นในชั้นการปฏิบัติกรรมฐานประเภทสมถกรรมฐานที่แปลว่ากรรมฐานเป็นเครื่องสงบใจนั้นถ้าจะถามว่าสงบใจจากอะไรก็ตอบว่าสงบใจจากนิวรณ์ทั้งห้าประการนี้เองบางครั้งบางคราวท่านแสดงอุปมาสภาพจิตที่ถูกกลุ่มรุมด้วยนิวรว่าจิตที่ ถูกกลุ่มรวมด้วยกิเลสสายโลภะคือกาม่ฉันนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนน้ําจีขุนจิตที่ถูกกลุ่มรุมด้วยความพยาบาทเปรียบเหมือนน้าที่ต้มเดือดพล่านจิตที่ถูกกลุ่มรุมด้วยกิเลสอีกสามอย่างข้างหลังนั้นเปรียบเหมือนน้ำลางเนือ้อซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความขุ่นข้นมีความสกปรกปรากฏอยู่ นามทั้งสามลักษณะดังกล่าวนั้นบุคคลไม่อาจที่จะมองลงไปถึงก้นภาชนะได้ชั้นใดจิตใจที่ประกอบด้วยนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉั้นนั้นเหตุผลความดีความสงบคุณธรรมต่างๆไม่อาจที่จะหยั่งลงสู่จิตและไม่อาจที่จะสําแดงฐานะของตนหรือสภาพของตนภายในจิตของบุคคลได้ถ้าหากว่าในขณะนั้น มีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ดังนั้นลักษณะของธรรมะที่ท่านแสดงว่าเป็นสันเลขธรรมคือธรรมะที่เป็นเครื่องขัดเกลานั้นแต่ในจริงแล้วฝ่ายอากุศลก็ขัดเกลาอกุศลได้กายอกุศลก็ขัดเกลาอากุศลได้ปัญหาสําคัญอยู่ที่ว่าภายในจิตใจของบุคคลในแต่ละขณะนั้นปริมาณของความดีกับความชั่วอะไรจะสูงมากกว่ากัน แต่ปริมาณความดีส right? ูงความดีก um ็มีกําลังมากขัดเกลวความชั่วให้บันเทาประบางลงไปแต่ในทํานองตรงกันข้ามถ้าหากว่าปริมาณของความชั่วสูงแก่ก็จะขัดเกลวทําลายผลักดันความดีให้ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับเช่นเดียวกันก็เหมือนอุปมาที่เคยกล่าวว่าน้ําในสระซึ่งบุคคลสามารถทําให้ข้นก็ได้ ทำให้ใสก็ได้ปัญหาสําคัญอยู่ที่ว่าน้ําซึ่งถูกสูบเข้าไปในสระนั้นเป็นน้ำใสหรือน้ําขุ่นข้นถ้าน้ำน้ำใสเข้าไปก็จะทําหน้าที่สลายความขุ่นข้นภายในสระน้ําได้แต่ถ้าถ้านํานำนำน้ำขุ่นข้นเข้าไปก็จะเพิ่มปริมาณความขุ่นข้นให้สูงขึ้นจนน้าเหล่านั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะใช้บริโภคดื่มกินได้ชันได จิตใจของบุคคลที่ประกอบด้วยนิวรณ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะน น, ะนั้นดังนั้นบางครั้งบางคราวในในขั้นของการปฏิบัตินี้เองมีความขัดแย้งกันอยู่ภายในจิตใจของบุคคลโดยไม่ได้คิดว่านั่นคือนิวรณ์เช่นเวลานั่งทาความสงบก็ต้องการที่จะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าอยากที่จะให้เกิดความสงบ อยากที่จะให้สิ่งต่างๆเป็นไปาตามที่ตัวต้องการจะให้เป็นเช่นมีเสียงดังแทรกเข้ามาก็อยากจะให้เสียงนั้นเงียบเพื่อจะให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาความรู้สึกดังกล่าวนั้นแท้จริงแล้วเป็นนิวรณ์เป็นกรารมาชันบ้างเป็นกุบ ก, กุจจะคือรำคาญบ้างบางครั้งก็เป็นพยาบาทบ้าง ในเมื่อขณะนั้นจิตประกอบด้วยนิวร์อยู่เช่นนี้ความสงบที่มุ่งมา่ปรารถนาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าจิตจอยู่อีกฝากหนึ่งคือฝากของอกุศลซึ่งกุศลไม่อาจที่จะแทรกขึ้นมาในขณะนั้นได้ในชั้นของการปฏิบัติท่านจึงสอนให้ปฏิบัติเป็นการกระทาที่สืบเนื่องกันไป หน้าที่จะต้องปฏิบัติมีขอบข่ายกฎเกณฑ์เงื่อนไขามากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ปฏิบัติไปตามนั้นเหมือนการปลูกพืชพันธุ์ธรชาติทั้งหลายหน้าที่ในการปลูกในการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเป็นเรื่องของคนแต่การจะออกออกดอกออกผลเมื่อไหร่นั้นก็เป็นเรื่องชนิดของพืชแต่และชนิดซึ่งไม่เหมือนกัน แน่นอนและเกินขั้นตอนที่บุคคลได้กระทำไว้แล้วไม่บุกพร่องในส่วนของตนนั้นเป็นการสะสมเหตุปัจจัยให้พืชนั้นเจริญงอกงามเติบโตขึ้นและโอกาสหนึ่งเมื่อถึงคราวแก่จะออกดอกออกผลด้วยตัวของแกเองเรื่องกุศลและทำความดีก็มีลักษณะเช่นนั้นเป็นการขัดเกลา กิเลสทั้งสายโลภะสายโทสะสายโมหะให้บรรเทาบาบางลงไปในขณะที่ทำอยู่นั้นเป็นการเก็บการสะสมพื้นฐานความสงบไว้ภายในจิตทีละนิดทีละหน่อยเมื่อถึงโอกาสหนึ่งปริมาณของความสงบสูงขึ้นแกก็จะทำหน้าที่สงบทำหน้าที่บรรเทาระงับกมจัดนิวรธรรมทั้งห้าประการออกไปได้ และนั้นการสงบนิวรจึงเป็นเป้าหมายโดยตรงในการเจริญสมถกรรมฐา น, านเพราะแม้ในระดับของฌานที่เคยกล่าวมาแล้วก็คือการสงบนิวรณ์ทั้งห้าประการนั่นเองงอกรองน้ำด่างคือนิวรจึงเป็นสิ่งที่จะต้องยกออกบำบัดขจัดออกไปจากจิตใจของตอ น, นเมื่อลูกศิษย์ได้ขุดต่อไป ก็บอกอาจารย์ว่าพบเต่าตัวหนึง่งอาจารย์ก็บอกให้ยกเต่านั้นออกข้อ น, นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าคําว่าเต่านั้นได้แก่อุปาทานขันคือการที่จิตของบุคคลยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขันทั้งห้าประการคือรูปเวทนาชัญญาสังขารบิญญานดวยอำนาจของอุปาทานสี่บ้าง โดยอำนาจของกาหะคือความยึดถือสามประการบ้างเรามีลักษณะเหมือนเต่าคือธรรมดาว่าเต่าทั้งหลายนั้นก็มีขาสีขามีศีรษะหนึ่งสีรษะสามารถเป็นที่ไปในที่ต่างๆแต่ในขณะไปนั้นก็มีความหนักเพราะต้องแบกสิ่งต่างๆไว้เป็นอันมากจิตใจของบุคคลที่มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขันทั้งห้าประการ ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่นั้นในบทสวดหรือแม้แต่ในปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงเมื่อทรงจำแนกความทุกข์ออกไปโดยอเนกประปริยายและในตอนสุดท้ายก็ทรงสรุปว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าประการนั้นไว้เป็นความทุกข์ากว่า สามารถปล่อยสามารถวางสามารถละได้ความสุขก็จะบังเกิดขึ้นข้อนี้พึงเห็นได้ว่าในชั้นของการดำรงชีวิตถ้าหากว่าบุคคลมีความรู้สึกว่าเป็นของเราในสิ่งต่างๆมากความมีตกกังวลห่วงใ ย, ยก็เกิดขึ้นภายในจิตใจมากแต่ถ้าหากว่ามีความรู้สึกว่าเป็นของเราน้อยความทุกข์ ในเรื่องนั้นๆก็จะน้อยลงด้วยแต่ในขณะเดียวกันนั้นแม้ความรู้สึกว่าเป็นของเรามากหรือใครมีของเรามากก็ตามแต่รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักไว้ว า, วางใจบุคคลอื่นเช่นว่าคนที่มีกิจการใหญ่โตแต่ก็วางใจผู้จัด ก, การวางใจเจ้าหน้าที่ในกิจการเหล่านั้นไม่ไปยึดไปถือไม่ไปหวาดไม่ไประแวงไม่ไปพิตกกังวล ก็ไม่มีความทุกข์อะไรมากในเรื่องเหล่านั้นแต่บางครั้งบางคราวแม้คนบางคนที่มีของเพียงเล็กน้อยอย่างที่โบราณท่านใช้คาว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวถึงหมายความว่าถ้าไปยึดไปถือข้าวไปวิโด ก, กัวงวลกัวงวลข้าวแม้ของนั้นจะมีเพียงเล็กน้อยก็สร้างความทุกข์ความหวัดแรงให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนได้ ความยึดถือที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโดยมากนั้นจะแสดงในรูปที่เรียกว่าตันหาการะคือยึดถือด้วยอำนาจตันหาที่ยึดถือว่าของเราของเราในสิ่งต่างๆในชั้นนี้พึงเข้าใจว่าระดับสมมติบัญญัตินั้นก็คือสมมติบัญญตัติแต่ในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็สอนให้บุคคลหาความสุขในชั้นสมมติบัญญัติได้เหมือนกัน คือตอนใดควรเอาจริงเอาจังในเรื่องนั้นก็เอาจริงเอาจังแต่ในขณะเดียวกันก็เตรียมกายเตรียมใจพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญหน้าอีกฟากหนึ่งคือการพลัดพรากการสูญหายการแตกทําลายของสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนอย่างที่ทรงสอนให้พิจารณาตามหลักซึ่งสวดกันในอภินหาปัจจเวุขณะนี้คือชันสมมุติปัญญตัติไม่ได้หมายความว่าให้ สอนให้ปล่อยวางไปหมดด้วยประการทั้งปวงเป็นเรื่องของกิจการงานที่จะต้องจัดจะต้องทำแต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางในบางโอกาสอย่างว่าทํางานเสร็จไปแล้วในตอนกลางวานันก็ชื่อว่าเสร็จไปแล้วมาถึงบ้านควรจะพักผ่อนตัดความมตกกังวลห่วงใยออกไปเพื่อรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนเอาไว้ไม่ใช่แบกงานมาถึงบ้านนอนแล้วก็แบกงานเอาไว้ แล้วหลับไปด้วยงานเพราะนั้นคืออาการความยึดความถือซึ่งบางครั้งก็หนักเกินไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าปัญจขันธ์ทั้งหลายนั้นเป็นภาระอันหนักยิ่งแต่บุคคลก็ยังแบกยังยึดถือปัญจขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นเอาไว้การปล่อยวางเสียได้ก็เป็นความสุขแต่เมื่อปล่อยปล่อยวางแล้วจะต้องไม่ยึดไม่แบกสิ่งอื่นไว้อีก การปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงมีลักษณะเหมือนกับนั่งรถเปลี่ยนรถดังที่เคยกล่าวไว้ในวิสุทธิ์ทั้ง7ประการเมื่อคราวอยู่ในรถคันหนึ่งก็ใช้รถคันนั้นให้เป็นประโยชน์พอเปลี่ยนไปอีกคันหนึ่งอีกทอดหนึ่งก็ใช้รถคันนั้นให้เป็นประโยชน์แล้วก็เปลี่ยนไปอีกจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเรียกว่าเป็นการปฏิบัติโดยลดําดับคือสืบต่อกันไปส่งต่อกันไปเรื่อยๆ ความยึดถืออีกประการหนึ่งเป็นการยึดถือด้วยอำนาจของมานะคือกำหนดหมายความเป็นของตนถึงคนเรานี้พร้อมที่จะเกิดมานะมานะว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่อาจจะเกิดมาจากฐานะทางสกุลฐานะทางครอบครัวตำแหน่งของบิดามารดาเป็นต้นก็พร้อมที่จะเกิดมานะขึ้นมาได้รูปร่างหน้าตาวิทยาฐานะฐานะที่ตนได้ทางจากสังคมเกียรติยศชื่อเสียง ยศศักด์ตำแหน่งกิจการงานต่างๆเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมานะทั้งนั้นแต่ความเป็นเหล่านั้นถ้าคนเราเป็นเป็นเป็นได้เป็นดีแล้วก็เป็นให้เป็นคือคราวใดเป็นก็เป็นให้สมเรื่องสมราวสมบทสมบัติคราวที่ไม่ได้แสดงตำแหน่งเหล่านั้นด้วยหน้าที่เหล่านั้นก็ปล่อยวางได้จิตใจของบุคคลก็จะไม่ต้องแบกเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ จะไปในที่ใดก็เล็กได้ถึงคราจะให้ใหญ่ก็ใหญ่ได้อย่างที่พระพุทมีพระภาคเจ้าทรงโอวาสสอนพระโมคคัลลานะเถระเอาไว้พรดูกอนโมคคลลานะเธอพึงทําความศึกษาว่าเราจักไม่ชูงวงคือถือตัวเข้าไปสู่สกุลเพาถ้าหากว่าชูงวงไปคือไปด้วยอํานาจของมันนะเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้แล้วถ้าหากว่า ในสกุลนั้นไม่ต้อนรับที่เรารู้สึกว่ามันสมเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีของเราความโทมนัสความเสียใจความน้อยใจก็จะบังเกิดขึ้นมันเป็นการเพิ่มปริมาณของกิเลสให้สูงขึ้นภายในจิตใจการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจึงมุ่งทายถอนเรื่องเหล่านี้แม้ระดับของการดำรงชีวิตประจำวันซึ่งจะเห็นได้ว่าในชั้นของสังขาวัตถุ ก, ก็คือหลักสมานัตตา วางตนสม่ำเสมอไม่ถือตัวมีลักษณะโปร่งเบาสบายไม่ไปยึดติดในรูปแบบต่างๆมากเกินไปก็จะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรก็อยู่ได้ทำได้บุคคลบางคนจิตใจได้เกี่ยวเกาะอยู่ด้วยอำนาจของมานะจนก่อให้เกิดปัญหาในการประพฤติปฏิบัติเพราะเมื่อไปก่อให้เกิดมานะขึ้น มันจะมีอาการพองขึ้นของจิตบางคราวก็กลายเป็นอติมานะคือดูหมิ่นคนอื่นสืบต่อกันไปนั้ น, น, นเวลาผู้หลักผู้ใหญ่บางคนบวชเช่นพระมหากัตปะเทระเป็นต้นเข้ามาบวชโอวาที่พระพุทธเจ้าทรงเริ่มในข้อแรกคือสอนให้พระเทระมีความเคารพเกรงอกเกรงใจ ให้พิสษุทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้ใหม่ทั้งที่เป็นผู้ตอนปานกลาง ท, งทั้งที่เป็นผู้เท่าอย่างแรงกล้านี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าให้ลดมานะของตัวลงอย่าถือว่าฉันเคยใหญ่เคยัวเคยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมาก่อนเพราะพระพัทถีระเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มาก่อนบางครั้งก็ทรงสอนให้ประพฤติตนเหมือนโคโคผู้ที่เขาหัก คื อ, องนึกดูว่าโคถึกที่เขาหักมันก็ไม่มีโอกาสที่จะไปสู้รบปรบมือกับใครได้บุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบางครั้งบางคราวจงึงสอนในลักษณะที่ให้ทอมตนเป็นการลดละมารณลงไปมารณ์เกิดขึ้นมาจากอะไรก็เกิดขึ้นมาจากขันทั้งห้านั่นเองเพราะขันทั้งห้าคือรูปของชีวิตที่ประกอบเป็นชีวิตเป็นจิตใจเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่เรียกขันที่สมมติปัญญัิกัน เรายึดถือด้วยอำนาจของจิตจิซึ่งบางครั้งก็ออกมาในรูปของความดือ้อความรันบางครั้งก็ออกมาความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเข า, เาจริงกับจั ง, จงในเรื่องเหล่านั้นและในที่สุดความทุกข์ในรูปลักษณะต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นแต่ลักษณะของความยึดถือบางครั้งก็ทรงแสดงในรูปของอุปาทานทั้งสี่ประการ ยึดถือด้วยอํานาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่ที่เรียกว่ากาโมปาทานยึดถือด้วยอํานาจความคิดความเห็นของตนด้วยความปักใจความฝังใจของตนว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงใครมีวาทะที่ไม่ตรงกับตนก็ถือว่าวาทะเหล่านั้นเป็นคนผิดเป็นความผิดดันั้นการเทียบเคียงรูปของสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบนั้น ท่านจึงไม่เอาไปเทียบเคียงกับความคิดเห็นของบุคคลแต่จะเอาไปเทียบเคียงกับความถูกต้องของธรรมะในฐานะของศาสนิกในพระพุทธศาสนานั้นเมื่อมีความเห็นขัดแย้งไม่ตรงกันก็ไปเทียบดูว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงสัสรู้และทรงแ ส, สดงไว้อย่างไรก็หาข้อยุติกันที่ทรงนั้นโดยไม่เอาความคิดความเห็นของตนเข้าไปเป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินปัญหาต่าง ไม่ใช้คำว่าข้าพเจ้ามีความเห็นว่าแ่วไาใช้คำว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเพื่อได้หลักที่ถูกต้องตรงกันความยึดถือแดนในด้วยอำนาจของชิฐิก็จะไม่เกิดขึ้นรุนแรงจนเกินไปบางครั้งก็ออกมาในรูปของศีลวัดคือข้อปฏิบัติต่างๆที่เข้าใจปักใจกันว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องแม้ในเรื่องของการปฏิบัติ กรรมาฐานจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็ตามปัจจุบันนี้บางครั้งบางคราวผู้ศึกษาปฏิบัติก็เกิดความสับสนว่าอย่างไรจริงอย่างไรไม่จริงเพราะว่าแต่ละอาจารย์ได้แสดงว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องซึ่งอาจจะเป็นถูกต้องส่วนของท่านท่านสามารถปฏิบัติกรรมาฐานส่วนนี้แล้วมีความส ง, งบขึ้นมาได้ท่านได้สัมผัสผลแต่ว่าสัมผัสไปแล้วก็กลายเป็นศีลและวัด ที่เรียกว่าศีลปัตตปราบาับบ้นซึ่งในแง่ของความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงสดแสดงหลักปฏิบัติไว้โดยอเนกปริยายอารมณ์ของสมถกรรมฐานเองก็มีถึงสี่สิบอารมณ์ของมีปัสนาเองก็มีถึงเจ็ดสิบสองอารมณ์ซึ่งใครจะปฏิบัติอารมณ์อะไรโดยวิธีใดก็ได้แต่ยังถูกตรงกับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงไว้ก็ชื่อว่าถูกต้องด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่า เป็นการถือในรูปความคิดเห็นดังกล่าวก็กลายเป็นเรื่องนั้นครั้งเรื่องนั้นศักดิ์สิทธิ์ไปกลายเป็นศีลวัดที่ขีดวงให้ตัวเองอยู่ในที่แคบๆ บ, บางครั้งก็ถือวาทะคือความคิดความเห็นของตนแล้วก็ยึดมั่นในวาทะความคิดความเห็นเ่าดันซึ่งในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทิตศีลวัดตลอดถึงวาทะต่างๆของตนก็ตาม ตาบุคคลจะต้องการบรรเทาคือไม่ถึงกัลละปพระละนิวรณ์ละอุปาทานได้นั้นเป็นเรื่องจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ในองค์อริมารทั้งแปดประการแต่ในชั้นที่บรรเทาชั้นปรับแนวความคิดของตนในยุติด้วยหลักฐานและเหตุผลนะล้วก็มีข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเอาไว้โดยอเนกประ ย, ยัยไปจับไปเทียบเคียงกันได้ว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้อย่างไร คือถือให้เป็นพุทธวธะทะคือวาทะของพระพุทธเจ้านัดพบกันที่จงจุดนี้แล้วความถูกต้องความสมเหตุสมผลก็จะเกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลความสับสนวาวุ่นในด้านความนึกความคิดของบุคคลก็จะบรรเทาเบาบางลงไปความยึดถือในรูปแบบต่างๆก็จะผ่อนคลายลงไปโดยลำดับอุปาทานาขันธ์ทั้งหประการนี้ในชั้นของการดารงชีวิตนั้น พระเจ้าสอนให้เรียนรู้ในเรื่องอุปาทานอาคารไว้โดยอนเนกกระปรี้ยยแต่เฉพาะในที่นี้ทรงสอนให้มองในรูปของเต่าซึ่งก็ติดอยู่ในที่นั้นจะอยู่ในกระดองนันก็ไปก็ไปก็ไปกันแบบเต่าแต่นั้นเองแต่ในขณะเดียวกันก็มีความหนักอึ้งอยู่ในตัวเองแล้วก็มีอันตรายที่จะเกิดขึ้นเพราะตนเองได้ง่าย บางครั้งต่เวลาต้องการจะให้ปลอดภัยแกก็หดหมดทั้ง3อย่างทั้งหอย่างคือทั้งเท้าทั้งสแล้วก็ศีรษะก็เป็นการป้องกันอันตรายเกิดตนได้บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อบางครั้งบางคราวต้องการผ่อนคลายความทุกข์ความเดือดร้อนความปิ ต, กตุกังวลก็ลดละความยึดความถือในขันทั้งห้าลงไป เป็นการ ผ, ผ่อนคลายความทุกข์ให้เบาบางลงไปซึ่งแน่นอนว่าบุคคลปล่อยวางความยึดความถือได้มากเท่าไหร่ความสงบสุขก็จะมากขึ้นเท่านั้นเพราะแท้ที่จริงแล้วความสุขหรือความทุกข์ในชั้นของชีวิตนั้นเป็นเรื่องของจิตใจที่ไปกําหนดหมายไปยึดถือเอานั่นเองดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่เชืเอถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใส่ ใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นาซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะต้องพยายามหาคาตอบในเรื่องนี้และศึกษากรรมวิธีในการลดอันตรายลดภัยลดอันตรายยังเต่าที่เก็บเท้าทั้งสี่ได้เก็บศีรษะว้ยภายในยกระดองอยามีอันตรายแก่ตุลเช่นเดียวกันฉะ น, นั้นต่อจานี้ไปขอให้ตั้งใจทาความสงบ ต่อไป